เรื่องที่33ชนะความชั่วด้วยความดีอาซาทุงซาทุนาชิเนความคิดอยากชนะคนอื่นเป็นความคิดติดสันดานของคนทุกคนตั้งแต่เกิดไม่มีใครสั่งสอนใครพูดอย่างภาษานักปรารว่าสัญชตาตญาณคือความรู้สึกนึกคิดที่ติดมากับตัวแต่นักจิตวิทยาหลายท่าน เวลายกตัวอย่างสัญชตาตญาณท่านยกเอาความกลัวขึ้นมาพูดคือแสดงว่าความกลัวเป็นสัญชตาตญาณอย่างหนึ่งของคนและสัตว์แต่ทางมุมกลับเราจะเห็นว่าความอยากชนะก็คือด้านหนึ่งของความกลัวนั่นเองที่คนเราคิดอยากจะชนะก็เพราะเรากลัวอย่างน้อยก็กลัวแพ้เพราะฉะนั้น เมื่อความกลัวเป็นสัญชตาตญาณความอยากชนะก็ต้องเป็นสัญชตาตญาณด้วยหมายความว่าคนเราทุกคนอยากชนะด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะคนอื่นอยู่แล้วทุกคนต่างแต่ว่าใครจะชนะด้วยวิธีการใดเท่านั้นเด็กที่จะเอาชนะอะไรให้ได้ดังใจแต่แล้วไม่ได้จึงร้องไห้เป็นวักเป็นเวน นั่นแกก็จะเอาชนะผู้ใหญ่คิดว่าถ้าร้องไห้ดังๆและร้องนานๆทำให้พวกผู้ใหญ่แสบแก้วหูมากๆแกก็คงจะชนะจึงได้หาชัยชนะโดยวิธีนั้นถึงคนโตๆบางทีก็เอาชนะอีกฝ่ายด้วยน้ําตาแบบเด็กๆเหมือนกันคนขอทานพยายามแต่งตัวมอส แล้วว่าคำขอทานให้เย็นว่าก็าไปถึงหัวใจของคนที่แกขอและพยายามยืนคุมเชิงอยู่ข้างๆคนที่เขากำลังจะกินข้าวให้นานที่สุดนั่นก็เป็นวิธีเอาชนะคนอื่นเหมือนกันแต่เป็นการเอาชนะแบบขอทานคนที่อ่อนแอพอโดนคนแข็งแรงกว่าขู่จะทำร้ายจึงคุกเข่าลงยกมือไหว้ขอยอมแพ้ นั่นก็เป็นการเอาชนะคนที่แข็งแรงกว่าเหมือนกันแต่เป็นการเอาชนะด้วยการยอมแพ้ซึ่งเป็นวิธีชนะแบบอ่อนแอตกลงว่าพฤติการต่างๆที่คนเราแสดงออกต่อการอยู่ทุกวันนี้เป็นเรื่องของการเอาชนะคนอื่นทั้งนั้นการที่คนเราจะพยายามเอาชนะคนอื่นนั้นไม่มีอะไรเป็นข้อหน้าตาหนิทั้งทางคดีโลก ทั้งทางคดีธรรมกล้องกันข้ามคนที่รู้จักอยากชนะนั้นเป็นคนที่น่าสรรเสริญแต่ทางศาสนาตักเตือนเราให้สำนึกไว้เสมอว่าขึ้นชื่อว่าความอยากแล้วไม่ว่าจะเป็นความอยากอะไรอะไรทั้งสิน้นเป็นของมีทั้งคุณทั้งโทษคู่กันอยู่เสมอจำต้องระวังไว้อย่าลืมว่าความอยากเป็นต้นกำเนิดของความยุ่ง และความยากแต่ถ้าหากระวังให้ดีรู้จักควบคุมให้เหมาะจอดความอยากก็เป็นคุณแก่ชีวิตไม่น้อยเลยเฉพาะอย่างยิ่งความอยากชนะเป็นความอยากที่มีคุณอนันันและมีโทษมหันควบคู่กันอยู่สังคมของเราที่เจริญก้าวหน้าและสงบสุขอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะพวกเราอยากชนะแต่อีกด้านหนึ่ง ความอยากชนะอีกเหมือนกันที่ทำให้สังคมเดือดอร้อนโกลาหลไม่เป็นสัมรวมความว่าเราจะสุขสบายก็เพราะอยากชนะเราจะทุกข์ทรมานก็เพราะอยากชนะเหมือนกันที่พูดนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่าเพียงแต่อยากชนะอย่างเดียวอย่างไม่พอต้องศึกษาหาความรู้ในการชนะด้วยไม่เช่นนั้นเราก็อาจหลงผิด ไปคว้าเอาชัยชนะเก๋ๆมาเชิดชูบูชาก็เป็นได้ไปอีกทีอาจหลงบูชาคนแพ้เพราะคิดว่าเป็นผู้ชนะก็ได้เหมือนกันก่อนที่จะพูดถึงศิลปะในการชนะคนอื่นต่อไปขอได้โปรดกําหนดไว้ในใจด้วยว่ายอดของชัยชนะที่แท้จริงนั้นต้องชนะครบถึงสามชั้นคือชนะตัวเองชนะคู่ต่อสู้ และชนะใจประชาชนถ้าอยากจะคิดหาตัวอย่างของผู้พิชิตจริงๆแล้วก็ให้ซักเอากับพระพุทธรูปปางชนะมารก็แล้วกันท่านชนะความร้ายในพระองค์เองด้วยทรงชนะมารด้วยและทรงชนะหัวใจของคนทั่วแผ่นดินอีกด้วยเป็นชัยชนะที่ขาวสะอาดสุดยอดของชัยชนะจริงๆ เราเป็นสานุสิทธิ์ของพระองค์ก็ควรฝ่ายหาชัยชนะแบบนั้นแม้จะไม่ถึงท่านก็ให้เข้าแบบคล้ายคลึงกับพระองค์คือชนะตนชนะคู่ต่อสู้และชนะใจประชาชนและถ้าพิสูจน์ว่าชัยชนะของเราถูกต้องตามแบบพระพุทธองค์หรือไม่ก็ให้ดูผลของชัยชนะว่าเมื่อชนะแล้วเรามีอะไรเหลือ ความดีหรือความร้ายหากเราชนะแล้วยังจะต้องแสดงความเลวร้ายเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อรักษาชัยชนะนั้นชัยชนะของเราก็ยังไม่ใช่ชัยชนะที่เด็ดขาดแน่นอนเรื่องนี้เคยอธิบายมาแล้ววันนี้เอาเป็นผ่านไปทีนี้จะพูดถึงวิธีเอาชนะเฉพาะอย่างยิ่งการเอาชนะคนอื่นเป็นการขยายความพระพุทธภาษิต เกี่ยวกับเรื่องนี้ในทางศาสนาพระพุทธองค์ทรงแนววิธีเอาชนะคนไว้เป็นอย่างยงแล้วแต่ว่าคนที่เราจะเอาชนะนั้นเป็นคนชนิดใดเช่นพุทธภาสิตทีท่ว่าอโกเทนะชีเนโกทงังพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธชิเนกนดาริยังดานีนะพึงชนะคนตรณีด้วยการให้ สเจนาลิกวาดินังพึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริงอาซาทุงซาทุนาจิเนพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีนี่ยกตัวอย่างแนวทางเอาชนะคนอื่นตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ขอได้โปรดพิจารณาทบทวนดูทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งก่อนใจความสำคัญในพุทธว จ, จนะเหล่านี้ก็มีอยู่ว่า ถ้าจะชนะความโกรธของคนอื่นต้องชนะด้วยความไม่โกรธของเราหมายความว่าถ้าเขาโกรธมาเราต้องไม่โกรธตอบถ้าจะชนะคนขี้เหนียวต้องเอาชนะด้วยการให้และถ้าจะชนะคนพูดไม่จริงต้องชนะด้วยการพูดจริงจากแนวทางที่พระพุทธองค์ส่งแนวไว้นี้เราจะสังเกตได้ว่าส่วนมาก ฝืนความรู้สึกของสามัญชนทั่วไปชาวบ้านเราชอบใช้วิธีพริกจิ้มพริกเกลือจิ้มเกลือแก่ร้ายมาฉันก็ร้ายตอบแก้ด่าฉันด่าแก้กำหมัดฉันกำบ้างแกขี้เหนียวฉันเลยไม่ให้กินเลยเอาให้นั่งน้ำลายไหลเสียให้เข็ดวิธีที่ว่านี้เป็นวิธีเอาร้ายชนะร้าย ทีนี้ลองพิจารณาผลได้ผลเสียดูสิว่าต่างจากแบบพระพุทธองค์อย่างไรพระพุทธวจนะแนววิธีชนะที่ยกมาให้เป็นตัวอย่างนั้นยังกระจายกันอยู่ยังหยิบยากผสมยากในเวลาปฏิบัติแต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่พระองค์ตรัสไว้อย่างรวบยอดใชใ้การได้ในทุกๆเรื่องคือข้อว่าอาซาทุงซาทุนาจิเน คำว่าสาทุหรือสาทุงนี้เป็นคำกลางๆอาจแปลว่าคนดีก็ได้แปลว่าความดีก็ได้เพราะฉะนั้นพุทธภาษิตบทนี้เราจะแปลว่าจงชนะคนไม่ดีด้วยความดีก็ได้หรือจะแปลว่าจงชนะความร้ายด้วยความดีก็ได้สุดแล้วแต่เราจะใช้กับเรื่องไหนก็แปลให้เข้าหาเอาเองข้อเดียวใช้ได้หลายทาง อย่างที่ข้าพเจ้าเคยเปรียบให้ฟังว่าคำสอนประเภทนี้เหมือนมีดปังต่อในครัวคือใช้ได้รอบตัวถ้าจะหั่นเนื้อเอาคมใช้ถ้าจะทุบกระเทียมก็พลิกเอาด้านข้างใช้ถ้าจะเลาะกระดูกหมูก็เอาสันแซะถ้าจะบดพริกไทยใช้ด้ามมันก็ยังได้พุทธภาษิตข้ออาซาทุงซาทุนาชิเน นี้ก็เหมือนกันจำไว้เถอะและใช้ได้รอบตัวไม่ว่าเราจะคิดเอาชนะใครและเอาชนะอะไรเพื่อความเข้าใจถูกต้องในทางปฏิบัติจะแยกอธิบายให้พิจารณาเป็นสองประเด็นคือ 1. ที่ว่าชนะร้ายด้วยดีคือทำอย่างไรและ2ชนะแบบนี้ได้ผลดีกว่าแบบอื่นอย่างไร ว่าในข้อที่หนึ่งสก่อนคือความหมายของพระพุทธโอวาทที่ว่าให้ชนะร้ายด้วยดีหมายความว่าอย่างไรในทางปฏิบัติให้ขบประเด็นแรกเสก่อนคือเรื่องความดีความชั่วของสองอย่างนี้เป็นของตรงกันข้ามและพระพุทธองค์ทรงสอนว่าให้เอาอย่างหนึ่งชนะอีกอย่างหนึ่งการที่เราจะทําได้อย่างนั้น ต้องหมายความว่าเราต้องมีความคิดเห็นหรือความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าอันไหนเป็นความชั่วอันไหนเป็นความดีเหมือนใครสอนเรามาว่าให้ดับไฟด้วยน้ำเราจะทำได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักเสียก่อนว่าอันไหนเรียกว่าไฟอันไหนเรียกว่าน้ำหรือมีผู้บอกเราว่าให้ชำระ้างของสกปรกด้วยสบู่ เราก็ต้องรู้ว่าอันไหนเป็นสบู่อันไหนเป็นของสกปรกเรื่องชนะความชั่วด้วยความดีนี้ก็เหมือนกันหากเรายังไม่ทราบหรือทราบแต่ไม่ยอมรับรู้ความจริงว่าอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นความดีสุภาษิตข้อนี้ก็ช่วยอะไร เ, าเราไม่ได้บางทีก็คว้าผิดจริงๆเอาไม้คอมแฝกตีหัวเข้าโป๊กแล้วคิดว่ามันต้องเจออย่างนี้ นั่นกระดีสิ่งที่เป็นความชั่วในตัวเราระบุลงไปไม่ได้ว่าคืออะไรบ้างเพราะต่างคนต่างมีของพันนี้ต้องตรวจดูในตัวเองเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บในตัวของเราแต่ละคนนี่แหละบางคนเป็นหิดบางคนเป็นกรากบางคนเจ็บตาบางคนเจ็บท้องเอาแน่ไม่ได้เพราะต่างคนต่างเป็นแต่เราพอจะสรุปลงได้ว่า อะไรทำให้เราหมดความสุขหมดความสบายสิ่งนั้นเราเรียกว่าโรคจะต้องรักษาความชั่วก็เหมือนกันชั่วหลายแบบชั่วหลายชนิดแต่เราสรุปลงได้ว่านิสัยใจคอทุกอย่างที่มันน่วงเหนียวตัวเราให้ชั่วต่าลงไปหรืออย่างน้อยที่สุดมันทำให้เราทำความดีไม่ได้นิสัยนั้นทั้งหมดเรียกว่าความชั่วยกตัวอย่างเช่น การติดสิ่งมึนเมาให้โทษการติดการพนันการติดเพื่อนที่ไม่ดีความขี้โกรธชุนเฉียวความหล่อแหละใจกลับกรอกและอื่นๆอีกมากสิ่งเหล่านี้ท่านผู้รู้ท่านเรียกว่าความชั่วที่เรียกอย่างนั้นเพราะลงมันได้เกาะใกรเข้าแล้วมันจุดคนนั้นให้ชั่วต่ำลงไปอย่างน้อยที่สุดเราก็ คอยขวางตัวเองไม่ให้ทำความดีได้สะดวกเพราะฉะนั้นคนรักตัวทุกคนจะต้องคิดชนะสิ่งเหล่านี้ให้ได้ทีนี้พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้เหตุการณ์ไกลอย่างชัดแจ้งแล้วทรงกำชับไว้ว่าหากจะเอาชนะความชั่วเหล่านี้ก็ให้เอาชนะด้วยความดีการที่ตรัสไว้อย่างนี้ก็เท่ากับทรงชี้ไว้ด้วยว่าการเอาชนะความชั่วด้วยความชั่วไม่ได้ผล ไม่ใช่วิธีของคนฉลาดมีเหมือนกันที่คนบางคนได้เผลอไผลเห็นผิดเป็นชอบคือพยายามจะเอาชนะความชั่วด้วยการทำความชั่วให้หนักขึ้นอีกด้วยการเข้าใจผิดอย่างเช่นคนที่ติดการพ น, นันเล่นแล้วเสียแต่แล้วพยายามที่จะหาทางเล่นให้มันหนักยิ่งขึ้นไปอีกจะได้ชนะในเชิงพ น, นันหรือคนที่ประพฤติเกกะด่าทอคนอื่น พอถูกใครๆเกลียดก็เลยพยายามบำเพ็ญตัวเป็นนักเลงหัวไม้ให้มันยิ่งใหญ่ในทางชั่วขึ้นไปอีกเพื่อใครๆจะได้ไม่ว่าตัวเป็นคนชั่ววิธีทำความชั่วชนะความชั่วอย่างนี้ผิดแบบไม่มีทางที่จะชนะความชั่วได้มีแต่จะพอกพูนความชั่วยิ่งขึ้นมันไปเข้าตำราที่ข้าพเจ้าพูดไว้ในกลวิธีแก้ทุกข์ที่ว่าเราหยิบเอาขี้หมา มาเช็ดขี้ไก่เช็ดเท่าไหรมันก็ไม่หายสกรปรกหมดขี้ไก่มันก็เปื่อนขี้หมาต่อไปเช็ดจนตายมันก็ไม่เสร็จเรื่องแต่ว่าทำกับขี้เป็ดขี้ไก่นั้นมันยังเบาแรงกว่านิสัยชั่วในตัวคนเราเพราะแผ่นกระดานที่เปื่อนขี้เป็ดขี้ไก่เราเองทิ้งตากแดดตากฝนไว้ น, น, นานๆหน่อยไม่ต้องทําอะไรเลยมันก็อาจร่วงหลุด หายเหม็นหายเน่าไปเองแต่นิสัยชั่วที่เกาะตัวเราอยู่นี่เก็บไว้ไม่ได้ที่จะปล่อยไว้เฉยๆให้มันระเหยไปเองนั้นยากเต็มทียิ่งปล่อยไว้นานยิ่งงอกใหญ่ของใครมีรีบช่วยตัวเองดีกว่าปัญหาต่อไปคือเรื่องความดีที่จะเอามาแก้ความชั่วจะเอาความดีอะไรและเอามาจากไหนนี่ก็ต้องคิด ประการแรกที่สุดพูดถึงที่ที่เราจะได้ความดีมาใช้ซะก่อนความดีที่เราจะเอามาแก้วความชั่วนั้นต้องเป็นความดีในตัวเราเองไม่ใช่ไปขอปันเอาความดีจากคนอื่นหรือไปหวังพึ่งที่จะให้ท่านผู้อื่นมาชําระล้างความชั่วให้เราแล้วเราเองไม่ต้องทําอะไรก็จะหมดชั่วไปเองไม่ใช่อย่างนั้นอย่าลืมว่าจมูกของใคร ก็ต้องหายใจเข้าไปหล่อเลี้ยงคนนั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะเชื่อคำสอนพระพุทธองค์แล้วว่าเราจะต้องเอาความดีชนะความชั่วและเราเองก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าอะไรบ้างเป็นความชั่วในตัวเราแต่ถึงกระนั้นปัญหาสาคัญของเราก็ยังอยู่อีกเปร่าหนึ่งคือปัญหาที่ว่าเรามีความดีพอที่จะใช้สู้รบกับความชั่วให้ได้ชัยชนะหรือไม่ เหมือนอย่างเรารู้ยุทธวิธีแล้วการรบกับข้าศึกเราต้องใช้ปืนยิงสู้จนกระทั่งว่าจะต้องนั่งยิงหรือนอนยิงหลับตาซ้ายเล็งด้วยตาขวาก็รู้ทีนี้ปัญหาสาคัญก็อยู่อีกเปล่าหนึ่งว่าปืนเรามีหรือไม่ถ้าเรายังเอาก้านกล้วยมาทำปืนถึงจะทำปากลั่นโป้ ง, ป ง, ปงมันก็ทำไมข้าศึกไม่ได้อยู่ดี